บทที่67ทำกรรมแทนกันไม่ได้วันที่ส0มสิบมีนาคมท่านพระครูลงรับแขกเป็นครั้งแรกหลังจากที่หยุดไปหนึ่งเดือนเต็มผู้คนมารอกันแน่นกุฏิเช่นเคยเพราะเป็นวันเสราร์ จะทุกขกลายหนึ่งเป็นสุภาพสตรีวัยสาสิบผิวขาวหน้าตาแม่จะดูเศร้าโศกหากก็แฝงเอาไว้ซึ่งความงดงามชนิดที่ติไม่ได้หล่อนเข้าไปกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วเอ่ยทางน้ำตาว่าหลวงพ่อคะช่วยหนูด้วยโยมแจ้อัตมาช่วยอะไรก็ว่ามาเลยท่านพูดอย่างปราณี ครันเห็นรอยฟกช้ำดำเขียวที่แขนทั้งสองข้างจึงถามนั่นไปโดนอะไรมาถึงได้เนื้อตัวเขียวปัดออกอย่างนั้นหล่อนร้องไห้หนักขึ้นแล้วก็ตอบว่าสามีตีค่ะทำไมถึงต้องตีด้วยละ่ะโยมไปทำอะไรให้เขาโกรธเขาถึงได้ตีเอาแต่จริงๆแล้วก็ไม่ควรจะทุบตีกันแบบนี้ จะโกรธจะเครืองกันยังไงก็น่าจะพูดกันได้อาตมาไม่ชอบให้ทําแบบนี้เลยแล้วท่านจึงพูดกับบรรดาสุภาพบุรุษที่นั่งอยู่ณที่นั้นว่าคุณพ่อบ้านทั้งหลายอาตมาอยากจะขอร้องนะอย่าได้รังแกแม่บ้านเขาอย่างนี้มีอย่างที่ไหนมาทุบตีกันอย่างกระเขาเป็นวัวเป็นควายแบบนี้ไม่ใช่วิสัยของสุภาพบุรุษ มนุษย์เพศชายที่นั่งอยู่ณที่นั้นต่างก็พากันสงสารหญิงสาวที่นั่งร้องไห้อยู่เบื้องหน้าท่านพระครูหนุ่มหนึ่งก็นึกในใจว่าถ้าเมียข้าสวยอย่างเนี้ยจ้างก็ไม่ตีให้ ง, ง่แต่ที่ต้องตีเพราะมันไม่สวยจะสวยหรือไม่สวยก็ห้ามตีเด็ดขาดไม่ใช่ว่าต้องสวยถึงจะไม่ตีท่านเจ้าของกุฏิพูดขึ้น พร้อมกับศพตาคนแอบนึกจะหนุ่มจึงนึกต่ออีกว่าโอ้โหหลวงพ่อนี่ชั้นหนึ่งเลยขนาดเราอุสาวพูดในใจยังได้ยินเสีอีกแนะ่จะพูดในใจหรือว่าพูดนอกใจอาตมาก็ได้ยินทั้งนั้นถ้าอยากจะได้ยินแต่ถ้าไม่อยากก็แล้วไปพระอรหรันหนุ่มนั้นสรุปในใจ อาตมาไม่ได้เป็นพระอระหรันอย่างเก่งก็เป็นแค่พระอระหิเพราะใครเป็นทุกข์กอจะเเฮไปช่วยเขาผู้ที่นั่งอยู่ในที่นั้นแจกมุนงงด้วยรู้สึกว่าท่านพูดอยู่คนเดียวแถมเรื่องที่พูดก็ไม่ไปด้วยกันอีกด้วยท่านพระครูไม่อยากให้พวกเขาต้องงงนานจึงถามหญิงสาวผู้นั้นว่าโยม ไปทำอะไรให้เขากโกรธหรือเปล่าเขาถึงได้ตีเอาไม่ได้ทำค่ะแค่เขาขี้หึงหนูคุยกับใครก็ไม่ได้เลยเขาหาว่าหนูพยายามจะนอกใจเขาคนอะไรก็ไม่รู้หึงไม่ดูตาม้าตาเรือหนูไม่อ ย, อยากอยู่กับเขาและค้าหลวงพ่อเขาตียังกับวัวกับควายแล้วเขาทำงานอะไรล่ะเป็นทหารค่ะ ทหารยศร้อยเอกอยู่ค่ายจังหวัดรบบุรีนี่เองเวลาจะไปทำงานเขาก็ใส่กุญแจขังหนูไว้ในบ้านไม่ให้ออกไปไหนเกิดฟืนไฟไหม้หนูก็คงถูกย่างสดตายอยู่ในนั้นโอ้โหึฮงมากขนาดนั้นเช้าหรึแล้วมีลูกกี่คนล่ะมีลูกเดยกันหรือเปล่ามีค่ะหนูมีลูกชายสองลูกสาวสอง ข้าโรงเรียนหมดแล้วขนาดมีลูกสี่คนและยังหึงอีกหรือค่ะหนูถึงไม่อยากจะทนอยู่อีกต่อไปหลวงพ่อคิดดูสิคะอยู่กันมาสิบปีเขาขังหนูไว้บนบ้านตลอดหญิงสาวเล่าและท่านเจ้าของกุฏิก็รู้ว่าหล่อนไม่ได้พูดเกินความจริงผมว่าแบบนี้ผิดปกติแล้วนะครับหลวงพ่อสงสัยจะเป็นโรคจิต หนุ่มอ้างในใจเพราะเมียไม่สวยถึงตีเอ่ยขึ้นนั่นสิคนที่ชอบตีเมียน่ะเป็นโรคจิตทั้งนั้นท่านพระครูเห็นช่องทางตีวัวกระทบคราดพ่อหนุ่มนั้นจึงจำต้องนิ่งหลวงพ่อต้องช่วยหนูนะคะคนถูกสามีตีอ่อนบอลจะให้ช่วยแบบไหนละ่ะช่วยไม่ให้เขาตีอย่างนั้นหรือ ช่วยให้หนูเลิกกับเขานะคะหนูเบื่อชีวิตแบบที่แล้วแล้วมามันเหมือนตกนรกทั้งเป็นค่ะจะเลิกกันยังไงละ่ะโยมลูกเต้าก็มีด้วยกันทั้งสี่คนอัตมาไม่ชอบให้ผัวเมียเลิกร้างกันเพราะมันเป็นปัญหากับลูกในภายหลังจะให้ช่วยแบบนั้นอัตมาไม่ช่วยแน่นอนเพราะอัตมากลัวบาปและท่านก็พูด กับผู้ที่นั่งอยู่ณที่นั้นว่าญาติโยมทั้งหลายโปรโดจําเอาไว้การยุแย่ให้ผัวเมียเขาเลิกกันนั้นบาปมากใครคิดจะทําก็ให้เลิกล้มความคิดนั้นเสียและใครที่เคยทํามาแล้วก็อย่าได้ทําอีกไม่งั้นบาปกรรมจะตามมาถึงตัวขอให้เชื่ออาตมาสักครั้งท่านจงใจเทศสตรีสามคนที่มานั่งรอคิวอยู่กฎแห่งกรรม ของคนทั้งสามฟ้องว่าพวกหล่อนมีความสามารถในการยุ่แยงตะแคงแซะให้ผัวเมียเขาเลิกกันและก็ทําจนประสบความสําเร็จมาหลายคู่แล้วคนประเภทนี้จะรู้เรื่องของคนอื่นไปหมดทุกเรื่องผัวใครมีเมียน้อยไว้ที่ไหนพวกหล่อนรู้หมดแต่ผัวตัวเองมีเมียน้อยพวกหล่อนกลับไม่รู้ ที่มาหาท่านก็ใช่ว่าจะเลื่อมใสศรัทธาแต่มาเพื่อขอเลขเด็ดกับขอให้ท่านดูดวงให้เมื่อท่านปฏิเสธพวกหล่อนก็จะไม่มาเยยบวัดนี้อีกพร้อมกันนั้นก็จะเอาไปเที่ยวโพลธนาว่าหลวงพ่อวัดนี้ไม่ดีถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อช่วยให้เขาเลิกตีหนูนะคะสตรีวัยส0สอ้อนบอน ตกลงโยมถ้าช่วยแบบนี้ไม่บาปเอาละอาตมาจะแนะวิธีให้ขุนทองไปหยิบแผ่นปลิวสวดมนต์มาให้โยมเข้าแผ่นหนึ่งท่านสั่งหลานชายและพูดกับสตรีนั้นว่าโยมสวดมนต์นะสวดทุกวันแล้วก็อธิษฐานขอให้เขาเลิกตีวันไหนเขาทำท่าจะตีก็หนีขึ้นไปห้องพระเลยไปนั่งสวดมนต์อยู่ในห้องพระนั่นแหละ รับรองว่าเขาไม่กล้าตีคนที่กำลังสวดมนต์หรอกแต่ถ้าเขาตีล่ะคะหล่อนถามอย่างวันวาดให้มาตีอาตมาแทนบอกเขาเลยว่าถ้าจะตีคนที่กำลังสวดมนต์ก็ให้ไปตีหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงโนนคราวนี้หล่อนยิ้มทั้งน้ำตาคนอื่นๆก็พรอยยิ้มไปด้วยถ้าขืนมาตีหลวงพ่อจริงๆหนูก็บาปแย่นะสิคะหล่อนว่า เขาไม่ตีหรอกหนูแม่อย่าไปดูถูกสามีเราถึงขนาดนั้นสิอัตมาดูแล้วเขาก็เป็นคนดีพอสมควรถ้าดีแล้วทำไมต้องตีเมียด้วยสตรีผู้หนึ่งถามขึ้นเขาหึงทำไมต้องหึงยมรู้ไหมท่านถามสตรีผู้นั้นไม่ทราบค่ะไม่ทราบหรือคะถ้า ง, งั้นอัตมาจะตอบให้ ที่เขาหึงก็เพราะเขาห่วงแล้วทำไมถึงห่วงโยมตอบซิไม่ทราบค่ะหลอนยืนยันคำเดิมท่านพระครูจึงเฉลยว่าเพราะเขาตกห่วงรักและพูดกับบรรดาสุภาพบุรุษว่าโยมผู้ชายอย่าไปทำอย่างนั้นนะอย่าไปตกห่วงรักถึงขนาดทุบตีแม่บ้านเขานะเกิดเขาหนีไปแล้วใครจะหุงข้าวให้เรากิน ต้องเอาใจเขาไว้ ม, กมากๆเขาจะได้อยู่กับเรา น, น, นานๆหลวงพ่อครับแต่ที่บ้านผมแม่บ้านเขาไม่หุงข้าวให้ผมกินหรอกครับผมเป็นฝ่ายหุงให้เขากินด้วยครับหุงมาตั้งแต่แต่งงานกันใหม่ๆจนเดี๋ยวนี้ลูกสามแล้วบุรุษร่างท้วมพูดจาฉาดชานแต่กล้าพูดได้เต็มปากเต็มคาเพราะคนเป็นเมียไม่ได้มาหากว่าหล่อนมาด้วยแล้วไซ ใครเลยจะกล้าพูดนี่ก็มานิมนต์ท่านไปงานทําบุญวันเกิดเมียก็ดีแล้วนี่แสดงว่าโยมเป็นสามีที่ประเสริฐมากใครมีพ่อบ้านแบบนี้สบายไปเจ็ดชาติเลยท่านจะของกุติชมแต่ผมว่าไม่ดีนะครับหลวงพ่อผู้หญิงต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือนไม่ใช่ให้สามีมาทำให้กินผมยอมไม่ได้เด็ดขาด พอบ้านผู้หนึ่งแสดงความเห็นที่โยมว่ามานั้นมันก็ถูกแต่ถูกสำหรับคนรุ่นเกา่าผู้ชายเป็นฝ่ายหาเลี้ยงครอบครัวผู้หญิงอยู่กับย่าวฝ้ากับเรือนเป็นแม่บ้านแต่สมัยนี้ผู้หญิงต้องออกทำงานนอกบ้านเช่นเดียวกับผู้ชายฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ชายจะมาทำงานบ้านแทนผู้หญิงเขาบ้างโยมเห็นด้วยไหม ท่านถามคนหุงข้าวให้เมียกินเห็นได้ครับหลวงพ่อและแม่บ้านผมเขาทำงานหนักมากกลางวันสอนโรงเรียนมัธยมเย็นสอนพิเศษที่บ้านกลางคืนก็ต้องเขียนบทความส่งนิตยสารเลยไม่มีเวลามาทำหน้าที่แม่บ้านผมไม่ชอบเอาเปรียบผู้หญิงและผมก็ไม่ใช่คนขี้อิจฉาด้วยผู้ชายบางคนนะครับ อิดช้าแม้กระทั่งเมียตัวเองกลัวเมียจะสบายก็เลยต้องแกล้งใช้งานยังกับทาตเขาตั้งใจพูดแดกดันผู้ชายคนนั้นคุณว่าใครพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงบุรุษนั้นมีโทสะ่าตทางเขาบอกชัดว่าพร้อมจะเอาเรื่องผมก็ว่าคนที่เป็นอย่างที่ผมว่าคุณมาเดือดร้อนอะไรด้วยละ่ะ อ๋อหรือว่าคุณเป็นอย่างที่ผมว่าอีกฝ่ายตั้งใจยั่วโทสะบุรุษนั้นสุดจะทานทนเขาผุดลุกขึ้นยืนท่ามกลางความตรนกตกใจของคนทั้งกุติพูดอย่างนี้มันต้องสอนกันหน่อยละคนพูดถลกแขนเสื้อขึ้นขอโทษนะครับผมขอร้องว่าอย่ามีเรื่องมีราวกันในวัดในวาเลยนะครับ อย่างน้อยก็นึกเห็นแก่หลวงพ่อท่านอาจารย์ชิดเอ่ยห้ามบุรุษเจ้าโทสะจึงนั่งลงแต่ยังแสดงอาการฮึดฮัดอย่างไม่พอใจเห็นอีกฝ่ายเอาจริงคนไม่ชอบออเอาเปรียบเมียจึงต้องนิ่งขืนมีเรื่องมีราวกันก็รังแต่จะนำความเดือดร้อนใจมาให้คนที่เป็นเมียหลวงพ่อเจ้าคะทำบุญแทนกันได้ไหมเจ้าคะ สตรีวัยกลางคนถามทำแทนแบบไหนละโ ย, ยมก็คืออย่างนี้เจ้าค่ะพ่อเด็กเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอิชันก็เตือนเขาเขาก็ไม่เชื่ออิฉันก็ขอร้องเขาว่ายังไงยังไงก็หยุดฆ่าวันพระสักวันก็ยังดีพอถึงวันพระอิชันก็บอกเขาเขาก็ถามว่า วันนี้วันพระกี่ข้าอีชั้นก็บอกว่าสิบห้าค้าเขาก็บอกดีแล้ววันนี้จะต้องฆ่ามันให้ได้สิบห้าตัวพอพูดจบเขาก็ไปตลาดไปซื้อปลาหมอเป็นๆมาสิบห้าตัวมาฆ่าต่อหน้าอีชั้นและโยมทำยังไงอีชั้นก็ไม่ทราบจะทำยังไงเจ้าค่ะได้แต่สงสารเขาเวลาอีชั้นทำบุญใส่บาตรอีชั้นก็อุทิศส่วนกุศลให้เขา อธิษฐานว่าบุญทั้งหมดที่อิชันทำอิฉันขอยกให้สามีขออย่าให้เขาต้องตกนรกเลยแบบนี้ได้ไหมเจ้าคะ่ะอิฉันทำบุญแทนเขาแบบเนี้ยได้หรือเปล่าเพราะอย่างอื่นเขาดีหมดเสียอยู่เรื่องเดียวเรื่องนี้ล่ะเจ้าคะ่ะทำกรรมแทนกันไม่ได้หรอกโยมบุญนั้นคือกุศลละกรรมใครทำใครได้การจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ ตัวเองต้องทำเองคนอื่นจะมาทำแทนกันไม่ได้ใครทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ช่วแล้วอีฉันจะช่วยเขาได้ยังไงเจ้าคะเขาถึงจะไม่บาปเรื่องอย่างนี้มันพูดยากนะโยมเรื่องบุญเรื่องบาปใครทำใครได้อย่าว่าแต่ธรรมดาอย่างเราๆจะทำแทนกันไม่ได้เลย แม้พระอรหันท่านก็ยังทำแทนคนอื่นไม่ได้อย่างเช่นเรื่องของพระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์มีพระโอรสพระธิดาเป็นพระอรหันต์คือพระมหินกับนางภิกษุณีสังฆมิตรตาแต่พระองค์ก็ยังไปเกิดเป็นงูเหลือมพระองค์เองทำบุญไว้กับพระพุทธศาสนามากแต่ทำไมถึงเป็นเกิดเป็นงูเหลือมยมรู้ไหม ไม่ทราบเจ้ขขาค่ะเพราะโทสะตอนสวรรคตโรตรรัชทายาทคือตอนที่พระองค์ประชวนสั่งให้อมาฏนำพระราชทรัพย์มาบริจาคให้คนที่ยากจนรัชทายาทก็ห้ามไม่ให้อมาฏทำตามบอกว่าพระองค์ทำบุญมากจนพระราชทรัพย์จะหมดพระคลังอยู่แล้วอย่าทำอีกเลยพระองค์ก็ส่งพระพิโรธ คือโกรธรัชทายาตกระทั่งสิ้นพระชนเมื่อดับจิตในขณะจิตเป็นอกุศลก็เลยไปเกิดในทุกคติคือเกิดในกำเนิดเดรัจฉานไปเป็นงูเหลือมวันหนึ่งพระมหินซึ่งตอนนั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระองค์ก็อยากจะทราบว่าพระราชบิดาสวรรคตแล้วไปเกิดที่ไหนก็ใช้ยานตรวจสอบดูจึงได้ทรงทราบว่า พระราชบิดาไปเกิดเป็นงูเหลือมนี่เห็นไหมอบายเนะ่ไปง่ายเลือเกินเหลือสตินิดเดียวก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉานซะแล้วและโยมรู้หรือเปล่าว่าไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ดียังไงไม่ทราบเจ้าค่ะไม่ทราบอีกแล้วแม้คนมาวัดนี้ตอบอยู่อย่างเดียวไม่ทราบเจ้าค่ะ ทันเรียนแบบเสียงสตรีผู้นั้นก็อีฉันไม่ทราบจริงๆนี่เจ้าคะนางว่าอ๋อไม่ทราบจริงๆหรือเจ้าคะอาตมานึกว่าแกร่งไม่ทราบเสอีกท่านพูดยิ้มยิ้มคนอื่นๆก็พรอยยิ้มไปด้วย เป็นเดรัจฉานไม่ดีที่หมดโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลนะโยมนอกจากนี้ยังเป็นช่องทางให้ประกอบอกุศลกรรมได้ง่ายอีกด้วยเพราะตัวโมหะมันครอบงำอย่างงูเหลือมตัวที่เคยเป็นพระเจ้าอาโศกนั่นน่ะตอนที่พระมหินทนเลงยานไปทอดพระเนตรโยมรู้ไหมว่ากําลังทำอะไรอยู่ไม่ทราบเจ้าค่ะไม่ทราบอีกแล้ว ถ้าอย่างนั้นมีอะไรบ้างที่โยมทราบนะ่ะไหนลองบอกอาตมามาสิโยมทราบอะไรบ้างเจ้าคะทราบว่าหลวงพ่อใจดีเจ้าคะมาวัดนี้แล้วสบายใจแล้วอาหารก็ อ, อร่อยแถมหลวงพ่อไม่เคยบอกบุญเรียลรายเงินอีกด้วยใครมีศรัทธาจะทํากอดทาใครไม่ทาหลวงพ่อก็ไม่ว่าไม่เหมือนบางวัด ที่พอไปถึงยังไม่ทันจะนั่งสมภารท่านก็แจกใบดีกาเสแล้วคราวนี้คนไม่ทราบสาธยายเสยืดยาวโอ้โหทราบเยอะเหมือนกันนี่แม้อัตมา ก, ก็นึกว่าไม่ทราบอะไรท่านสับพยอกสตรีนั้นยิ้มเบิกบานกับคำชมตกลงงูเหลือมพระเจ้าอาโศกกำลังทำอะไรอยู่เจ้าคะ นางไม่ลืมที่จะทวงคำถามก็ทำบาปนะสิทำยังไงรู้ไหมอ๋อไม่ต้องตอบก็ได้เพราะอาตมารู้แล้วว่าโยมจะต้องตอบยังไงงูเหลือมตัวนั้นกำลังวิทน้ำวิธีวิทน้ำของเขาก็คือเอาหัวพาดต้ตนไม้ต้นหนึ่งหางพาดอีกต้นหนึ่งแล้วอลาตัววิทน้ำวิทน้ำ ทำไมรู้ไหมโยมลองตอบสิท่านถามสตรีที่ถูกสามีตีไม่ทราบค่ะจะกินปลาก็น้องน้ำมันมีปลาก็าก็อยากจะกินปลาแล้วก็ฉลาดซสด้วยแต่ฉลาดในทางที่ผิดเพราะเป็นเดรัจฉานไม่รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษหลวงพ่อครับหลวงพ่อเคยเทศบนศาลา ก, การประเรียน วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรผมจําไม่ได้เสีแล้วแต่ที่จําได้ก็คือหลวงพ่อเทศว่าคนที่ตายขณะจิตมีโทสะจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้ามีโลภะจะไปเกิดเป็นเปรตหรืออสุรกายแต่ถ้ามีโมหะจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานแต่ทําไมพระเจ้าอาโศกจึงไปเกิดเป็นงูเหลือมทั้งที่ตอนดับจิตพระองค์โกรธ รัชธาญาติบุรุษผู้หนึ่งถามเรื่องนี้มลึกซึ้งนะโยมเรื่องของจิตเนี่ยลึกซึ้งมากแต่อย่างไรก็ตามคนที่กำลังจะตายนั้นถ้าจิตเขาเป็นอกุศลเขาจะไม่รู้ตัวเลยว่าขณะนั้นจิตเขามีโลภหรือโทสะหรือโมหะแต่เท่าที่อาตมาวิจัย อาตมาว่าเขามีสามตัวนั่นแหละเพียงแต่ว่าตัวไหนจะมากกว่าอีกสองตัวถ้าดับจิตขณะที่ตัวไหนมีดีกรีสูง mm. ก็จะไปเกิดตามกรรมนั่นๆในกรณีของพระเจ้าอาโศกแม้พระองค์จะมีโทสะอยู่ก็จริงแต่ก็เป็นโทสะที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของโมหะโมหะซึ่งมีกาลังแรงกว่าจึงส่งผลให้ไปอุบติ ในกำเนิดเดรัจฉานเห็นหรือยังว่าแม้พระองค์จะทรงสร้างคุณประโยชน์ใหญ่หลวงให้กับพระศาสนาแต่เมื่อถึงเวลาละโลกนี้ไปก็ยังต้องไปเกิดในทุกขตินับระษาอะไรคนที่ไม่เคยสร้างคุณความดีเลยขอให้ญาติโยมเก็บไปคิดเป็นการบ้านนะตกลงอีกชั้นไม่มีทางช่วยพ่อเด็กเขาได้เลยหรือเจ้าคะ หน้าตาและท่าทางคนถามบ่งบอกว่าทุกข์ร้อนถ้าจะช่วยได้โยมต้องสวดมนต์สวดมากๆแล้วอธิษฐานขอให้ส่วนกุศลที่โยมทำช่วยให้เขาเลิกทำปานาติบาส่วนเขาจะเลิกได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมของเขาต้องให้เขาสวดด้วยไหมเจ้าคะไม่ต้องรอก เพราะจะไปบอกยังไงยังไงเขาก็ไม่ยอมทำเพราะเขาไม่เชื่อคนเราลงได้ไม่มีศรัทธาเสียแล้วก็เลิกพูดกันงั้นก็แปลว่าถึงแม่อิชันจะสวดมนต์แต่ก็ไม่อาจช่วยเขาได้อย่างนั้นหรือเจ้าคะนางรู้สึกสับสนได้สิได้ในแง่ที่ว่าเมื่อโยมสวดมนต์มากๆโยมก็จะรู้ว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั้น มันมีขอบเขตแค่ไหนเพียงใดและโยมก็จะวางใจให้เป็นอุเบกขาได้เขาก็จะไม่เป็นสาเหตุทำให้โยมทุกข์อีกต่อไปยังไงละ่ะหลวงพ่อยิ่งพูดอีฉันยิ่งงงนะเจ้าคะทำไมจะไม่งงละ่ะก็ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีไว้ให้พูดกันเฉยเฉยแต่ก็มีไว้ให้ปฏิบัติเอาเถอะ เมื่อโยมปฏิบัติแล้วก็จะหายงงไปเองขอให้เชื่ออัตมาสักครั้ง